ลำดับที่6ยาราศิั ก, กะนิเทศแสดงหมวด6แห่งกองยานข้อ422ย่หน้าสอยานด้วยสามารถแห่งสมาธิ2ี 24, มีอะไรบ้างคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวเป็นสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่าน ด้วยสามารถลมหายใจออกยาวเป็นสมาธิความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถเป็นผู้เรื่องจิตหายใจเข้าหายใจออกเป็นสมาธิยานด้วยสามารถแห่งสมาธิ24เหล่านี้ยานด้วยสามารถแห่งวิปัสสนาเจมีอะไรบ้างคือวิปัสสนาด้วยอาจว่า พิจารณาลมหายใจเข้ายาวโดยความไม่เที่ยงวิปัสนาด้วยอดว่าพิจารณาลมหายใจเข้ายาวโดยความเป็นทุกข์วิปัสนาด้วยอัดว่าพิจารณาลมหายใจเข้ายาวโดยความเป็นอนัตตาวิปัสนาด้วยอัดว่าพิจารณาลมหายใจออกยาวโดยความไม่เที่ยงวิปัสนาด้วยอัดว่าพิจารณาลมหายใจออกยาวโดยความเป็นทุก วิปัสนาด้วยอัจว่าพิจารณาลมหายใจออกยาวโดยความเป็นอนัตตาวิปัสนาด้วยอั Syndrome, ดว่าเป็นผู้เรื่องจิตพิจารณาลมหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยงวิปัสนาด้วยอั andel. ดว่าเป็นผู้เรื่องจิตพิจารณาลมหายใจออกโดยความไม่เทีย่ยงโดย discord, ความเป็นท <'t> ุกข์ โดยความเป็นอนัตตายานด้วยสามารถแห่งวิปัสนาเ2เหล่านี้นิพพิทายาณ8มีอะไรบ้างยานชื่อว่านิพพิทายานราดว่าเป็นเครื่องให้บุคคลผู้พิจารณาลมหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยงรู้เห็นตามความเป็นจริงราดว่าเป็นเครื่องให้บุคคลผู้พิจารณาลมหายใจออกโดยความไม่เที่ยง รู้เห็นตามความเป็นจริงยานชื ha, ang, wa, on, ina, rin, ok. ่อว่านิพิทายานพระอัว่าเป็นเครื่องให้บุคคลพิจารณาความสลละคืนหายใจเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริงพระอัฏว่าเป็นเครื่องให้บุคคลพิจารณาความสละคืนหายใจออกรู้เห็นตามความเป็นจริงนิพิทายานแปเหล่านี้นิพิทานุโลมยาน8 มีอะไรบ้างปัญญาในความเป็นผู้พิจารณาลมหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยงปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวชื่อว่านิพิทานุลมยานปัญญาในความเป็นผู้พิจารณาลมหายใจออกโดยความไม่เที่ยงปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวชื่อว่านิพิทานุลมยานปัญญา ในความเป็นผู้พิจารณาความสละคืนหายใจเข้าปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวชื่อว่านิพิทานุโลมยานปัญญาในความเป็นผู้พิจารณาความสละคืนหายใจออกปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวชื่อว่านิพิทานุโลมยานนิพิทานุโลมยาน8เหล่านี้นิพิทา ปฏิปสัตทิยาน8มีอะไรบ้างปัญญาในความเป็นผู้พิจารณาลมหายใจเข้าโดยความไม่เที่ยงพิจารณาหาทางวางเฉยอยู่ชื่อว่านิพิธาปฏิปัสัตทิยานปัญญาในความเป็นผู้พิจารณาลมหายใจออกโดยความไม่เที่ยงพิจารณาหาทางวางเฉยอยู่ชื่อว่านิพิธาปฏิปสัตทิยาน นิพิทาปฏิปสัสสัญญาณ8เหล่านี้ญานในวิมุตติสุข21มีอะไรบ้างญานในวิมุตติสุขย่อมเกิดขึ้นเพราะละพราะตัดขาดซึ่งสักกายทิฏฐิด้วยโสดาปฏิมักพระละพระตัดขาดซึ่งวิจิกิจฉาด้วยโสดาปฏิมัก เพราะละเพราะตัดขาดซึ่งศิลปพรตะปรามาศทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยด้วยโชดาปฏิมักเพราะละเพราะตัดขาดซึ่งการราคะสังโยชน์่วนหยาบปฏิกะสังโยชน์การราคานุสัยปฏิกานุสัยส่วนห ย, ยาบหยาบด้วยจการคามิมักเพราะละ พระตัดขาดซึ่งการราคะสังโยชนละเอียดปฏิกะสังโยชนการราคานุสัยปฏิกานุสัยชวนละเอียดละเอียดด้วยอนาคามิมักยานในวิมุตติสุขย่อมเกิดขึ้นพระละพระตัดขาดซึ่งรูปประราคะอรูปประราคะมานะ อุดทัจะอวิชามานานุสัยพระวะราคานุสัยอวิชานุสัยด้วยอารัตมักยานในวิมุติสุข21เหล่านี้เมื่อบุคคลเจรอนสมาธิอันสามยุทธด้วยอานาปานสตติอันมีวัตถุ16บยาน200 เหล่านี้อันสัมมยุทธ์ด้วยสมาธิย่อมเกิดขึ้นจบยาราศิจักกะนิเทศที่หจบอนาปานสติกถา